เพื่อละมโนโทุจริตสองควรจเจริญเนคข ม, มวิตกคือความตรึกในการออกจากกามเพื่อละกามวิตกคือความตรึกในกามควรจเจริญอัพยาปาทะวิตกคือความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นเพื่อละพยาปาทะวิตกความตรึกในการปองร้ายผู้อื่นควรจเจริญอวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อละวิหิงสาวิตกคือความตรึกในการเบียดเบียนผู้อื่น 3. ควรเจริญในคข ม, มัสัญญาความกำหนดหมายในการออกจากกามเพื่อละกามสัญญาคือความกำหนดหมายในกามควรเจริญอัพยาปาทะสัญญาคือความกำหนดหมายในการไม่ปองร้าย เพื่อละพยาปาทสัญญาความกําหนดหมายในการปองร้ายควรเจริญอวิหิงสาสัญญาความกําหนดหมายในการไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาสัญญาความกําหนดหมายในการเบียดเบียน 4. ควรเจริญเนฆขรรมธาตุธาตุคือการออกจากกามเพื่อละกลามาธาตุหมายถึงธาตุคือกาม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 ควรเจริญอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเพื่อละอัศทะทิฏฐิความเห็นด้วยความพอใจควรเจริญอนัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตนเพื่อละอัตานุทิฐิความตามเห็นว่าตัวตนควรเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพื่อละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหก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 แควรเจริญโสวาจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายเพื่อละโทวาจัตสตาความเป็นผู้ว่ายากควรเจริญกัญญานามิตตาความเป็นผู้คบเพื่อนดีงามเพื่อละป่าปามิตตตาความเป็นผู้คบเพื่อนชั่วควรเจริญอาณาปาณสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออก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 ท่านทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายที่เรียกว่าปริยาย108เป็นชไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เวทนาสองเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสามเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาห้าเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนา6เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนา18 เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนา36เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนา108เราก็กล่าวไว้โดยปริยายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสองเป็นชนหนเวทนาสองคือเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตนี้เรียกว่าเวทนาสองเวทนาสาม คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาหคือสุขขินสีหมายถึงธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความสุขกายทุกข์ขินสีหมายถึงธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความทุกข์กายสรงมณสินสีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความสุขใจ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 เวทนา18คือโสมนัสสุปวิจารหหมายถึงอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์6ด้วยความสุขใจโทมนัสสุปวิจารหอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์6ด้วยความทุกข์ใจอุเปกูปวิจารหอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์6ด้วยความรู้สึกเฉยเฉยเวทนา36คือโสมนัส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 หมายเหตุคำว่าปริยายแปลว่าไปโดยรอบถือเอาความว่าในหรือเรื่องราวคำว่าธรรมปริยายคือในยะของธรรมะกล่าวไว้โดยปริยายคือกล่าวไว้โดยในหรือโดยประการหนึ่งและสำหรับอารมณ์หคือรูปเสียงกลิ่นรสโหพถะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายและธรรมอารมณ์คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ